เกี่ยวด้วยการฝึกการใช้ความคิดให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่มองเห็นสิ่งต่างต่างอย่างตื้นตื้นผิวเผินเป็นขั้นสำคัญในการสร้างปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระทำให้ทุกคนพึ่งตนได้ช่วยตนเองได้และนำไปสู่ความเป็นอิสระไร่ทุกพร้อมทั้งสันติสุขที่เป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม